การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองให้เห็นว่าโลกนี้เป็นของว่างเปล่าความหมายก็คือว่างเปล่าจากคำว่าของเราหรือตัวเราให้มองให้เห็นว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนลมพัดเหมือนแดดออก เ, ออเพราะว่ามันไม่มีคำว่าเราในสิ่งเหล่านั้น ต้นไม้ใบหญ้านี่มันไม่มีเราไม่มีของเราที่ดินนี่ก็ไม่มีเราไม่ของเราแต่ความหลงในใจเรามันไปทําให้เราไปจับจองว่าเป็นของเรานั้นเองที่ดินมันมีของใครเลยอพัทยาสมัยก่อนมาไม่มีใครเป็นเจ้าของเลพอมีกิเลสมีความหลงเข้ามามาเห็นพัทยาสวยก็เลย มาจับจองเป็นของเรากันไปหมดพอเป็นของเราทีนี้ก็ความทุกข์ก็ตามมาพอเมื่อเรารักแล้วเราเป็นของเราเราก็รักเราก็ห่วงเราก็ห่วงแล้วเราก็ทุกข์เพราะเรากลัวจะเสียไปเสียมันไปแล้วมันก็ต้องเสียมันต้องจากกันไปในที่สุด เพราะว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่เรียกว่าจิตใจที่มาครอบครองร่างกายร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเป็นทา ม, มาจากดินน้ำลมไฟแต่ร่างกายนี้ทามันโตขึ้นมาได้ยังไงถ้ามันไม่กินข้าว ไม่กินข้าวไม่กินน้าไม่หายใจไม่มีความร้อนมันอยู่ได้ที่ไหนร่างกายมันเนี่ยสิ่งที่เราเกินเข้าไปนี่เรียกว่าธาตุธาตุดินใช่ไหมนะำข้าวนี่มาจากไหนข้าวก็โตขึ้นมาจากดินโผลมาจากดินแล้วเราก็ไปหุงให้มันกินได้เอ พอกินเข้าไปในร่างกายเราผสมกับน้ําที่เราเดื่มเข้าไปผสมกับลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปผสมกับความร้อนมันก็เลยไปขยายตัวเป็นอาการสามสิบสองไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันดูตอนที่เป็นทารุณออกมาทําไมตัวนิดเดียว ล้วถ้ามันไม่กินนมมันไม่าหายใจนี่มันจะโตขึ้นมาได้ไหมโตไม่ได้อ ม, มันต้องมีธาตุสีคอยเติมคอยเสริมต้องมีน้ำให้เดิมมีอาหารมีดินให้กินมีลมหายใจให้หายใจมีความร้อนความอบอุ่นมีไฟเนี่ยมันเป็นธาตุทั้งนั้นแหละ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 น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ข้อน้ำมูดเนี่ยเนีอาการทั้งหลายนี้อยู่ในร่างกายเราทำมาจากดินน้ำลมไฟคืออาหารเช่นข้าวผักเนื้อของพวกนี้มันก็ทำมาจามีดินอืมีน้ำผสมกันมาะร นี่คือธาตุดังนั้นนางกายก็ธาตุกุตินี้ก็ธาตุศาลาหลังนี้ก็ธาตุโลหะสังกสีก็ธาตุธาตุดินไม้นี้ก็ธาตุดินส่วนใหญ่จะเป็นธาตุดินสําหรับศาลานี้แต่ก่อนจะมาเป็นไม้เป็นอะไรได้ก็ต้องมีการผสมปุงแต่งด้วยน้ําด้วยดินด้วยลมด้วยไฟ ต้นไม้นีถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีอากาศคือลมไม่มีความร้อน ม, มันก็โตขึ้นมาไม่ได้ไปดูที่ขั้วโลกเหนือแต่ ไ, ไม่มีความร้อนนะมีต้นไม้ไหมมันขาดความร้อนมันก็โตไม่ได้ถ้าไปดูที่ทะเลทรายไปดูแถวซาอุนี่ต้นไม้ก็หาไม่ค่อยได้มีแต่ทราย เพราะว่ามันไม่มีน้ำขาดน้ำต้นไม้ก็โตไม่ได้ไปในทะเลก็ไม่มีต้นไม้ไมเพราะมันไม่มีธาตุดินมีก็ต้องลงไปใต้น้ำก็อาจจะมีสาหร่ายอยู่ใต้น้ำเพราะมันมีดินให้มันโตได้นี่คือ สิ่งต่างๆทั้ ง, ง, งหลายในโลกนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูศึกษาดูจะเห็นว่าท ร, ร ม, มาจากธาตุทั้งสีน่นี้ทั้งนั้นธาตุดินธาตุน้ำธ า, าตุลมธาตุไฟหรือไม่ไม่ใช่นั้นมันก็อยู่ของมันตามลำพังเค่น้ำทะเลนี่มันเป็นธาตุน้ำล้วนๆเนี่ยอากาศที่เราหายใจกันอยู่นี่มันก็เป็นธาตุลมล้วนๆ ความร้อนที่เราสัมผัสได้จากแสงแดดนี่ก็เป็นธาตุไฟล้วนะดินที่เราเหยียบกันอยู่นี่ก็เป็นธาตุดินแล้วเรามันอยู่ตรงไหนมันไม่มีหรอกนี่ยเรามันอยู่ที่คิดนี่แหละผู้รู้ผู้คิดนี่แหละผู้สึกษนให้คิดเนี่ย พอเกิดมาพ่อแม่ก็สอนเราว่านี่เป็นของเรานะนี่เป็นของบ้านนู้นเขาอันนี้เป็นบ้านเราะบ้านนี้เป็นบ้านเราบ้านนู้นเป็นบ้านเขาอย่าไปเข้าไปผิดบ้านเดี๋ยวจะถูกเขาไล่ออกถูกสอนมาตั้งแต่เกิดว่าอะไรเป็นของเราอะไรไม่ได้เป็นของเราแล้วก็หลงกันแล้วก็ทุกข์กันอันใรที่ไม่ใช่เป็นของเราเรามักจะไม่ทุกข์กันใช่ไหม บ้านของชาวบ้านเขาจะไหม่เราไม่ทุกข์นะแต่บ้านเราไหม้หรือหรือท่วมหน่อยทุกข์กันใหญ่พออะไรมาเป็นของเราเข้ามันก็เลยทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะความหลงหลงไปคิดว่าเป็นของเราพระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนให้เรามองความจริงกันว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอะไรที่เป็นเราเป็นของเรามันเป็น ของที่มาจากอีกโลกหนึ่งเราคือผู้รู้ผู้คิดนี่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้เราอยู่อีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกทิพย์โลกทิพย์นี้เป็นเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเช่นดวงจันทร์ดวงจันทร์ ก, กรับโลกที่เราอยู่นี้มันคนละโลกกันโลกพระจันทร์กรับโลกที่เราอยู่นี้มันคนละโลก ก, กัน แต่คนที่อยู่โลกพระจันทร์สามารถติดต่อกับโลกนี้ได้สมัยนี้เช่นเราส่งนักอวกาศขึ้นไปดวงจันทร์ก็สามารถติดต่อกันได้ด้วยกระแสวิทยุส่งสัญญาณมาส่งทั้งเสียงทั้งภาพได้ติดต่อกันได้ด้วยสัญญาณวิทยุ ใจของเราผู้รู้ผู้คิดนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์แล้วมันมาติดต่อกับร่างกายนี้ได้ด้วยสัญญาณเรียกว่ากระแสจิตไม่ไม่ได้เป็นกระแสวิทยุแต่เป็นกระแสจิตซึ่งก็เป็นเหมือนกับกระแสวิทยุเรามองไม่เห็นกระแสวิทยุเราก็มองไม่เห็นกระแสจิตตัวจิตเองเราก็มองไม่เห็น เพราะจิตมันก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายแต่มันมาเชื่อมกันตอนที่เกิดปฏิสนธิในคันของแม่เวลาที่มีการผสมพันกันแล้วเชือของพ่อกับเชือของแม่มาเกาะติดกันพอมันติดกันปั๊บดวงวิญญาณคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ ที่แสวงหาร่างกายก็เลยมาส่งกระแสมาเกาะมาเชื่อมติดกับร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจึงเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเกิดการตั้งคันขึ้นมาทันทีเช่ไพอเริ่มตั้งคันปั๊บทีนี้ก็เริ่มมีการส่งอาหารส่งสเบียงคือธาตุสี เข้าไปสู่ร่างกายอันใหม่นี้ผ่านทางสายสะดือของแม่แม่มีสายสะดือแม่ก็ส่งสเสบียงเข้าไปให้กับทารกในครรภ์ส่งดินส่งน้ําส่งลมส่งไฟเข้าไปาทารกก็เลยเจริญเติบโตขึ้นมาที่ละเล็กทีละน้อยในครรภ์จเจริญด้วย ด้วยธาตุสีนี่ธาตุสีที่แม่รับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วก็แปลงไปเป็นเลือดเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำอะไรต่างๆแปลงเป็นอาหาร<ม>อาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงทารกที่อยู่ในร่างกายให้สร้าง อ, า ว, อาวัยวะต่างๆขึ้นมา สร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างเอ็นอะไรต่างๆขึ้นมาสร้างกระดูกขึ้นมาพอเก้าเดือนผ่านไปร่างกายก็โตเกินกว่าจะอยู่ในท้องได้เพราะท้องมันขยายมากไปกว่า น, นี้ไม่ได้ก็เลยถูกท้องบีบออกมาก็เลยเกิดการคลอดออกมา ผู้ที่ส่งกระแสคือจิตใจส่งกระแสมาเกาะติดอยู่กับร่างกายก็ก็รับรู้การคลอดเพราะว่าเวลาคลอดออกมาปั๊บเหมือนกับเวลาที่เราตื่นนอ น, นเวลาเรานอนหลับนี่เราไม่ได้รับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆแต่พอเราตื่นขึ้นมาปั๊บเราเริ่มรู้สึกตัว เริ่มสัมผัสกับโหดทพะที่มาสัมผัสกับร่างกายอากาศหนาวเย็นร้อนเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาก็สัมผัสกับลูกพอมีเสียงก็มาสัมผัสกับหูผู้ที่รับรู้นี้ก็คือจิตที่อยู่ในโลกทิพย์นี่แหละจิตที่อยู่ในโลกทิพย์นี้ส่งกระแส ของจิตนี้มาเกาะติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองเป็นผู้ที่รู้สึกตัวรู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายมีข้อมูลต่างๆเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายตัวร่างกายเองมันไม่รู้นะตัวร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรมันได้ยินอะไรมันสัมผัสกับอากาศร้อนหรือเย็นนี่มันไม่รู้ ผู้รู้นี่ก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้ที่ส่งสัญญาส่งกระแสจิตมาเกาะติดกับร่างกายแต่ผู้ที่รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเนี่ยเป็นเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ดวงจันทร์เนี่ยแต่ส่งกระแสจิตมาเกาะติดกับร่างกายที่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ใช้ความคิดนี้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆะ ตอนตอน้นเขาสั่งให้ร่างกายหัดยืนหัดเดินเห็นไหมเป็นเด็กนี่มันอยู่เฉยๆไหนมันเด้นมันพยายามที่จะหัดมันเพราะมันจิตมันนี้ไม่ชอบให้ร่างกายอยู่เฉยๆจิตชอบให้ร่างกายพาไปถ่ายรูปต่างๆทา ง, ต า, ง, ต, างตาดูตรงนี้นานๆมันเบื่อเห็นไหมอยู่ในเปลนานๆมันเบื่อมันพอปีนออกจากเปลได้มันก็ปีน ตอมันอยากจะไปดูตรงนน้นว่ามีอะไรความอยากรู้อยากเห็นนี่อยู่ในจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายเรียกว่าความอยากตัณหากามะตัณหาจิตใจทุกดวงที่มาเกาะติดกับร่างกายมาเกาะติดก็เพราะกามะตัณหานี่เองความอยากรู้อยากเห็นในรูปเสียงกลิ่นรสผดพพะ มันก็เลยทำให้มันมาหาร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายพอมีร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายมันก็จะได้ใช้ตาหูจมูกนิ้นกายให้มันได้ดูได้ยินได้ฟังได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเคยเสพติดมาหลายพบหลายชาติแล้ว ดวงจิต ท, ที่มาเกิดทุกดวงนี่ที่มาเกาะติดกับร่างกายนี่เป็นพวกเหมือนที่ติดยาเสพติดเนี่ยพวกติดยาเสพติดนี่มันจะต้องไปหาแหล่งที่มียาเสพติดเนี่ยที่ไหนที่ไหนมียาที่มันต้องการมันก็จะไปที่นั่นไปหายาเสพติดจิตก็เหมือนกันติดจิตนี่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสผัดทัปะ ก็เลยต้องไปหาแหล่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายนี้เองก็เลยมาเกาะติดกับร่างกายเวลาที่มีการผสมพันกันระหว่างพ่อกับแม่เวลาพ่อกับแม่เอาเอาพันของพ่อของแม่มาประกอบกันอพอมันติดปั๊บดวงวิญญาณคือดวงจิตนี้ก็ส่งกระแส ที่เรียกว่าวิญญาณนี่แหละมาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายทันทีแต่ตอนที่อยู่ในคันนี้ยังไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้เพราะยังไม่ได้ลืมตายังไม่ได้รับเสียงเสบได้อย่างเดียวก็คือผดทะพะคือความรู้สึกที่อยู่ว่าร้อนหือหนาวหรือเยน็นหรืออุ่นเนี่ย แต่ในร่างกายของแม่มันก็เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างเสถียรมันก็เลยไม่รู้สึกไม่เห็นความแตกต่างของอุณหภูมิมันก็เลยยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากเหมือนนอนหลับอยู่นะพอออกมาจากท้องแม่ปั๊บเนี่ยลืมตาึ้นมาตื่นนะพอออกจากท้องแม่มาก็ร้องเพราะต้องหายใจไม่มีลมหายใจ เมื่อก่อนอนะาศัยลมหายใจของแม่หายใจอยู่ในท้องพอออกมาจากท้องแม่นี้ต้องหายใจเองก็ร้องขึ้นมาเพราะยังหายใจไม่เป็นก็เลยต้องมีการกระตุ้นให้หายใจทีนี้ก็เริ่มหายใจเริ่มใช้ร่างกายให้ทาอะไรต่างๆเดินขึ้นมาเหมือนพอตื่นขึ้นมา ก็เห็นรูปได้ยินเสียงทีนี้พอเห็นรูปก็อยากจะเห็นรูปที่ชอบรูปที่ดูนานๆแล้วเบื่อก็ไม่ชอบก็ต้องเดินหาอยู่เรื่อยๆเด็กมันจึงอยู่ไม่เป็นสุขนะมันจะคอยคานไปนู่นมานี่ของมันอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็อยากจะจับมาเข้าปากดูว่ามันเป็นอะไรมันมีรถ หวานหรือขมหรืออะไรวิธีสัมผัสของจิตกับตอนที่เป็นทารกมันก็มันก็ทำได้แค่นั้นมันพยายามหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มันเคยเสพมาก่อนอันไหนที่มันไม่เคยเสพมันก็ไม่เอาพอมันมาจับอะไรที่มันไม่เคยเสพมันไม่ชอบมันก็ไม่เอามันก็ไปหาใหม่ พอมื่เจออะไรที่มันเคยเสพเช่นไปเจอขนมเข้าพมอมันกินนี่มันจำได้ น, นี่ฮัลโหลย์มันก็จะเอาแต่ขนมอันนี้เป็นจิตนะไม่ใช่เป็นร่างกายเพียงแต่ร่างกายเป็นเครื่องมือของจิตจิตสั่งให้ร่างกายเอไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ร่างกายได้รับรู้ แต่ตัวจิตเองนี่ไม่ได้ไม่ได้กินนะไม่ได้กินขนมไม่ได้ไม่ได้ดูภาพไม่ได้ฟังเสียงผู้ที่ดูภาพฟังเสียงหรือกินหรือดืม่มอะไรนี้คือร่างกายแต่จิตมันได้การรับรู้กับความกับความรู้สึกของรูปเสียงกลิ่นรสมันเสพความสุขที่ได้จากการาได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอพอตาเห็นรูปที่ถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาสุขขเวทนาขึ้นมาเนี่ยใจแสวงหาสุขขเวทนาแล้วพยายามดิ้นหนีทุกขเวทนาพอไปแตะอะไรร้อนนี่ถอยเลยใช่หไหมตอนเป็นเด็กไม่รู้อะไรร้อนเรือรู้อะไรเย็ น, นพอเห็นอะไรก็ไปแตะก็ไปแตะของร้อนเข้าไปแตะหม้อ ร้อนๆนี่มือก็ร้อนปั๊บก็ถอยกลับมาทันทีหนีทันทีไม่เอาเลยรู้ว่าเป็นทุกขเวทนาแล้วก็ไม่เอาอันนี้มไม่ต้องสอนเลยมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นธรรมชาติของจิตที่มาเวียนว่ายตายเกิดกันทุกดวงมันรู้ว่าอะไรสุขอะไรทุกข์พอสัมผัสอะไรที่สุขนี่มันมันสุขขึ้นมาทันทีในใจ พอสัมผัสอะไรที่ทุกข์มันทุกขขึ้นมาทันทีภายในใจมันก็เลยหนีเจอทุกข์ก็หนีพยายามวิ่งหาหาความสุขชีวิตของจิตมันก็มีอยู่แค่เนี้สรุปหนีทุกข์แล้วก็วิ่งเข้าหาความสุขกันแต่ไอ้ทุกข์กับสุขนี้มันก็ดิ้นได้เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนปลาเนี่ยปลาที่เราจับในมือนี้มันก็ดิ้นได้ จับปลาตัวมันเลื่อนเดี๋ยวมันก็หลุดออกไปก็ต้องไปคอยจับใหม่เราก็วิ่งจับสุขเวทนากันวิ่งหนีทุกขเวทนากันการวิ่งเข้าหาเวทนาหรือวิ่งหนีเวทนามันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในใจว่ามันเป็นภาระเป็นงานการที่ต้องทำ อยู่เฉยๆกับการที่จะต้องวิ่งไปวิ่งมาอันไหนจะสบายกว่ากันแต่ใจมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันถูกสุขกับทุกเวทนามาคอยอขับไล่สายส่งมันอยู่ตลอดเวลามีทุกมาคอยขับไล่มันอยู่เรื่อยๆมีสุขมาคอยล่อมันอยู่เรื่อยๆเห็นไหมอยู่ตรงนี้ไม่สุขไปเที่ยวตรงนู้นสุขก็ไปกัน พอไปเที่ยวที่นั่นสุกรับเดี๋ยวเดี๋ยวสุกหมดก็เบื่อกลับบ้านดีกว่ากลับมากันนี่คือสภาพของจิตใจที่ถูกความอยากถูกความหลงครอบงมจิตใจทำให้จิตใจนี้ต้องดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ต้องไปดีใจเสียใจกับสิ่งที่หามาได้ เวลาได้สิ่งที่ถูกใจก็ดีใจแต่พอสูญเสียสิ่งที่ถูกใจไปก็เสียใจเวลาไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ทุกข์ใจก็ต้องคอยดิ้นหนีมันตอนที่นิน่ถ้ายังหนีไม่ได้ก็ทุกข์ไปกับมันทุกข์ไปจนกว่าจะหนีพ้นพอมันไม่มีมันไม่อยู่กับมันแล้ว ความทุกข์ใจนั้นก็ถึงจะหายไปนี่เป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่รู้จักวิธีจัดการกับเวทนาไม่รู้จักวิธีที่เหมาะสมกับจิตใจต่อการปฏิบัติต่อเวทนาต่างๆคือสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็จะมีแต่คอยวิ่งหนีคอยวิ่งไล่จับ ถ้าเป็นสุขเวทนาก็คอยวิ่งตามมันถ้าทุกขเวทนาก็คอยวิ่งหนีมันมันก็เหนื่อยเกิดมาเหมือนเกิดมาเพื่อวิ่งหนีเกิดมาเพื่อวิ่งจับนู่นจับนี่แล้วพอจับได้มันก็อยู่ไม่นานอยู่นานบ้างไม่นานบ้างเนื่องจาถ้าอยู่มันก็ความสุขที่ได้จากมันก็ไม่เหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆ ตอนที่ได้มาใหม่ๆ ม, มันสุดแสนสุดสุด100ร้อยเปอร์เซ็นตแต่พอได้มาสักพักแล้วมันชินนะมันมันก็เฉยแล้วความรู้สึกกับสิ่งที่ได้มาไม่เหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆตอนได้มาใหม่ๆโอ้ยดีอกดีใจคอยอะไรคอยคอยดูแลรักษามันอย่างสุดสุด แต่พออยู่กับมันไปสักพักมันเริ่มชินกับมันละทีนี้ก็เริ่มรู้สึกเฉยๆกับมันละความสุขที่เคยได้จากมันตอนได้มาใหม่ๆมันเหมือนมันจางหายไปเหมือนกับผลไม้ที่เราบีบน้ามันเวลาได้ผลไม้มาใหม่ๆน้าผลไม้มันยังอยู่ในผลไม้เราก็บีบมันออกมาดื่ม ผลมะมา่าน้ำผลมะม้ายที่เราบีบออกมาดื่มหมดแล้วเหลือแต่ซากทีนี้เราก็ไม่ไม่มีความสำคัญไม่มีความสนใจมันนะถ้าโยนทิ้งได้ก็โยนทิ้งไปถ้ายังยังกินได้ยังมีน้ำเหลืออยู่ก็ยังเก็บไว้อยู่แต่ความรู้สึกที่ได้มาใหม่ๆกับตอนที่ได้มาเก่าแล้วมันไม่เหมือนกัน เขาถึงมีคำพูดว่าใหม่ๆหน้าตาจุมจิมมพอเก่ามันก็กลายเป็นสนิมขึ้นมาอ่า <c oughs> นี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ดวงจิตดวงใจของพวกเราใช้ร่างกายไปหามามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบใหม่ ๆ, ๆดีพอเก่าแล้วก็กลายเป็นของไม่ดีไปจึงทำให้เราต้องวิ่งหาของใหม่ๆกันอยู่เรื่อยๆ เราโทรศัพท์รุ่นใหม่กันอยู่เลยไอ้บริษัทมันก็รู้ว่าจิตเราเป็นยังไงมันก็คอยผลิตของใหม่ๆออกมาล่อมันไม่ปล่อยออามาแบบดีเต็มที่มันปล่อยมาทีละนิดเทียหน่อยไว้ปีหน้าจะได้เพิ่มคุณสมบัติได้เพิ่มอะไรแปลกๆใหม่ๆมาล่อตาล่อใจเรานี่คือธรรมชาติของจิตใจของพวกเราทุกคน ธรรมชาติที่ตปติดอยู่กับสุขขเวทนาแล้วก็ไปหนีทุก ข, ขเวทนาอยากได้สุขแต่ไม่อยากได้ทุกข์กันก็เลยต้องวิ่งกันอยู่เนี่ยวิ่งหนีกันวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมคนอยู่ต่างประเทศก็วิ่งมาเมืองไทยคนอยู่เมืองไทยก็วิ่งไปต่างประเทศ ตอนนี้หน้าร้อนนะเมืองไทยที่ที่เมืองต่างประเทศหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวหนีหนาวมาหาร้อนไทยเราก็หนีร้อนไปหาหนาวหนีกันไปหนีกันมาชีวิตมันก็เลยมีเรื่องวุ่นวายตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งที่เราหามาได้มันมันไม่ได้ความสุขเราแบบตลอดไปเนย ได้มาแล้วเดี๋ยวความสุขได้นั้นความรู้สึกนั้นมันหายไปหายไปมันก็เบื่อของเก่ามันก็อยากจะได้ของใหม่เพราะเวลาได้ของใหม่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกับตับของเก่าของใหม่กับของเก่านี่ความรู้สึกมันให้กับเราไม่เหมือนกันของอะไรใหม่ๆนี่โอ้ยรู้สึกใช่ไหมเสื้อผ้าใหม่ๆกับเสื้อผ้าเก่าๆเสื้อผ้าเก่าเคยเคยใหม่ แต่พอมันเก่าแล้วมันไม่มีความรู้สึกเหมือนกับเสื้อผ้าใหม่เึงเลยต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่กันอยู่เรื่อยๆซื้อรองเท้าใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ทำผมใหม่ทำหน้าตาใหม่เพราะว่ามันอะไรเก่าแล้วมันเบื่อมันไม่ได้ความรู้สึกเหมือนกับตอนที่มันใหม่อันนี้คือเรื่องของความไม่ฉลาดของจิตใจของพวกเราที่ ไม่เห็นความทุกขในการที่จะต้องคอยดิ้นหาของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยวิ่งหนีของเก่าอยู่เรื่อยๆใจมันก็เลยเป็นเหมือนนักวิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆไม่เป็นสุขต้องคอยวิ่งถึงจะมีความสุขแต่ความจริงการวิ่งเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยกว่าการอยู่เฉย ๆ, ๆ แต่มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันเห็นการอยู่เฉยๆนี้มันทรมานมากกว่าการวิ่งการวิ่งไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยแต่มันไม่ทรมานเหมือนกับให้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็แบบไปอยู่ในคุกไงเนี่ยอยู่ในคุกนี่ก็อยู่เฉยๆก่อนยิงอยู่ในคุกได้นสบายนะไม่ต้องทาอะไรอยู่เฉยๆ มีรอปรพอดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงค่าน้ำค่าไฟก็ฟรีค่าอาหารก็ฟรีค่าบ้านค่าที่อยู่อาศัยก็ฟรีฟรีทุกอย่างสบายแต่อยู่ไม่ได้เพราะใจมันดิ้นไงใจมันไม่ชอบอยู่เฉยๆใจมันชอบหารูปเสียงกลิ่นรสแปลกๆใหม่ๆไปได้เรื่อย พอมันต้องอยู่ในคุกมันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆมันมีแต่ลูปเสียงกิตตร็ดแบบเก่าๆแบบจำเจมันก็เบื่อมันอยากจะไปหารูปเสียงกิตตร็ดแปลกๆใหม่ๆอยูเแรบบืแบบ่อยๆอยู่ตรงนี้เบื่อเดี๋ยวก็ไปตรงนู้นเห็นไหมไปตรงนั้นเบื่อก็กลับมาตรงนี้ตรงนี้กลายเป็นของใหม่นะพอเมื่อก่อนเป็นของเก่าพอเราไปอยู่ที่อื่นสักพังพอห่างจากของเก่าไป ก็พอกลับมาหันของเก่าก็กลายเป็นของใหม่ละเพราะว่ามันนานแล้วที่เราไปเห็นมันลืมมันเสียแล้วว่ามันเป็นอย่างไรก็เลยอยากจะกลับมาเห็นมันใหม่เนียจิตเราก็เลยถูกความรู้สึกนี้หลอกให้เราต้องด่นนนนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยๆไม่ได้อืมความสุขของจิตนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบว่า คืออยู่เฉยๆนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าเราสามารถจับมันให้อยู่เฉยๆให้ได้แต่เราไม่รู้กันเราไปคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่การไ ป, ไปวิ่งหาสิ่งต่างๆที่เราอยากอยากได้เห็นอยากได้ดูอยากได้ฟังกันเราก็เลยวิ่งกันอยู่ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียว ได้ตอนที่ได้ใหม่ๆก็สุขพอมันกลายเป็นของเก่าไปมันก็ทุกข์มันก็เบื่อเราก็เลยต้องวิ่งเต้นวิ่งหาของใหม่ๆกันอยู่เรื่อยแล้วถ้าเราไปมีปัญหาไม่สามารถวิ่งหาของใหม่ได้ทีนี้ก็ทุกข์ก็เลยต้องอยู่กับของเก่าเช่นเงินหมดหรือนั่งกายสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วย จะให้ไปวิ่งหาความสุขเหมือนตอนที่น่างกายแข็งแรงตอนที่มีเงินมีทองมันทําไม่ได้แล้วพอต้องอยู่กับของเก่ามันก็เหมือนติดคุกเคนก็เลยรู้สึกเบื่ออยู่บ้านอยู่กับของเก่ามันเบื่อขึ้นมาี่ยปัญหาคือเราไม่รู้จักหยุดความอยากของใจนี้ ถ้าเราหยุดความอยากของใจทำใจให้มันหยุดอยากได้ปั๊บนี่ความรู้สึกเบื่อหรืออยากมันจะหายไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเบาสบายสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติแบบถูกต้องสำหรับใจใจที่อยู่เฉยๆได้นี่แหละเป็นใจที่มีความสุข เหมือนรถที่เข้าเกียร์ว่างได้เนี่ยเป็นรถที่ปลอดภัยใช่ไหมสมัยนี้รถเป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมถ้าขับรถหาเกียร์ว่างไม่เจอนี่ลงจากรถไม่ได้นะมันก็จะวิ่งเดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นนะถ้าอยากจะให้มันจอดมันก็ต้องเข้าเกียร์ว่างแล้วก็เหยียบเบรกนพอเหยียบเบรกเข้าเกียร์ว่างทีนี้ก็ลงจากรถได้ แต่ถ้ารถยังวิ่งไปข้างหน้าวิ่งวิ่งถอยหลังวิ่งข้างหน้าอยู่มันลงจากรถไม่ได้มันติดอยู่ในรถเนี่ยจิตของเราก็เหมือนกันรู้จักแต่เกียร์เดินหน้ารู้จักเกียร์ถอยหลังแต่ไม่รู้จักเกียร์ว่างกันจิตเราก็เลยต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่เรื่อยเรื่อยวิ่งไปเข้าเกียร์หน้าเพราะข้างหน้ามีความสุขพอไปข้างหน้าเป็นทุกข์ก็เข้าเกียร์ถอยหลังกัน ก็ต้องคอยเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยไม่เดินหน้าก็ถอยหลังไม่อยากได้ก็อยากอยากหนีมีอยู่สองอย่างอยากได้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากหนีก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นแล้วก็กามะตัณหาเนี่ยนี่คือความอยากในใจ ที่เป็นตัวคอยผลักดันให้จิตใจต้องดิ้นไปดิ้นมาใจยังไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงของใจอยู่ที่การไม่ดิ้นนั่นเองอ ย, อยู่ที่อยู่เฉยๆอยู่ที่ความสงบอันนี้ไม่มีใครรู้ในโลกนี้นานๆจะมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงอันนี้ว่า ความสุขที่แท้จริงของใจนี่อยู่ที่ใจนิ่งใจสงบใจถอดเกียร์ว่างจอดท้ายใจเข้าเกียร์ว่างได้ถอยถอ ย, ถอยถอดเกียร์เดินหน้าถอยหลังออกไปให้เข้าเกียร์ว่างพอใจเข้าเกียร์ว่างแล้วคนขับรถก็สบายใช่หไหมไม่ต้องมาคอยควบคุมรถถ้ามันเข้าเกียร์อยู่นี่ ก็ต้องคอยดูถนนนะมันวิ่งข้างหน้าก็ต้องดูข้างหน้ามันถอยหลังก็ต้องหันไปดูข้างหลังแต่ถ้ามันเข้าเกียร์ว่างมันก็อยู่เฉยเฉยก็อยากจะหลับตาอยากจะพักผ่อนก็พักได้ใจเราก็นี่แหละความสุขของใจเรานี่อยู่ที่เกียร์ว่างอยู่ที่การเข้าเกียร์ว่างอยู่ที่ทาใจให้มันเฉยเฉยให้มันนิ่งให้มันสงบ แล้วเครื่องมือที่จะทำให้ใจนิ่งให้สงบพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบว่ามีอยู่สองอย่างด้วยกันคือหนึ่งสติสองปัญญาสติก็จะทำให้มันนิ่งได้ชั่วคราวถ้าอยากจะให้มันนิ่งให้มันว่างตลอดเวลาก็ต้องใช้ปัญญาแต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้ต้องใช้สติก่อนต้องทำให้มันนิ่งก่อน พอมันนิ่งแล้วพอมันจะไม่นิ่งถึงมาใช้ปัญญาห้ามไม่ให้มันไม่นิ่งได้ตอนต้นต้องทำให้จิตนิ่งก่อนต้องทำให้จิตสงบก่อนจิตจะนิ่งจิตสงบนี่ต้องใช้สติหยุดความคิดความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจไม่นิ่งความคิดความอยากพอคิดอะไรปับ๊บคิดถึงกาแฟก็อยากดื่มกาแฟ นั่งเฉยๆไม่ได้นะพออยากดื่มกาแฟขึ้นมาก็ต้องลุกขึ้นไปชงกาแฟมาดื่มพอนึกอยากจะดูอะไรก็ต้องไปเปิดดูมือถือเดี๋ยวก็เปิดดูแลอยากจะดูข่าวสารอยากจะดูว่ามีใครไลน์เลยมาบ้างหรือเปล่ายิ่งตอนนี้ช่วงใกล้เลือกตั้งนี่เดี๋ยวอยากจะดูผลเลือกตั้งกันแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้มันก็จะมันก็จะไม่มีความอยาก ถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้ว่าจะจ ะ, จ ะ, จะปอยากกับอะไรถ้ามันอยู่กับความว่างมันก็ไม่มีอะไรจะให้อยากถ้าใจไม่คิดใจก็จะว่างดังนั้นเราต้องมาหยุดความคิดให้ได้วิธีจะหยุดความคิดนี้ต้องใช้สติคอยเหยียบคอยเหยียบเบรกเหมือนเบรกสตินี่เหมือนเบรกรถยนต์นี่อยาให้มันหยุดได้ต้องคอยเหยียบเบรก ถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็วิ่งไปเรื่อยๆเหมือนรถวิ่งลงเขาเนี่ยถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็จะวิ่งลงวิ่งไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้มันหยุดต้องเหยียบเบรกแล้วก็ไม่ใช่เ e หยียบหนเดียว <h> ไม่ใช่เ e หยียบหนเดียวมันต้องเหยียบตลอดมันถึงจะหยุดได้ถ้าเหยียบปุ๊บพอปล่อยปัป๊บมันก็วิ่งใหม่มันก็ต้องคอยเหยียบอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราใช้สติเช่นพุโทโธพุธโทโธมันก็หยุดความคิดได้เช่นตอนนี้กำลังคิดถึงขนมแล้วก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปขนมมันก็หายไปจากความรู้สึกของเราแต่พอเราหยุดพุโทโธปั๊บเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดถึงขนมใหม่ได้เนีย่ยเราต้องเหยียบมันไปเรื่อยๆต้องพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดเลยถ้ามันหยุดคิดปั๊บเนี่ยมันถึงเรียกว่าสมาธิ ตอนที่เราฝึกสตินี้ยังไม่ใช่สมาธิตอนที่เราฝึกพุโทโธพุโทพโธฝึกดูลมหายใจเข้าออกนี่มันเป็นเพียงการเหยียบเบรกให้หยุดความคิดแต่ความคิดมันยังไม่หยุดพอเราหยุดพุดโทโธปั๊บหยุดดูลมปั๊บเดี๋ยวมันก็ไปคิดต่อได้ตราบไดที่มันยังคิดอยู่เราก็ต้องพุโทโธต่อไปต้องดูลมต่อไปจนกว่าความคิดมันจะหยุด พอความคิดหยุดเราก็หยุดพุทโธได้เราจะรู้ถ้าเราปฏิบัติเวลาจิตมันจะหยุดคิดนี่มันจะรู้มันจะเหมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งเลยมันเป็นเหมือนกับเราอยู่เหนือน้ำแล้วเรากดดลงไปใต้น้ำเนี่ยเรากระโดดลงน้ำไปดำน้านี่เสียงที่อยู่บนบนเหนือผิวน้ำนี่หายไปเลยใช่หไหมไม่รับรู้เสียงต่างๆที่อยู่บนผิวน้ำเราจะเข้าไปอยู่ในโลกของ ใต้น้ำอันนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตสงบนี้เหมือนไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยโลกที่เราเคยรับรู้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะหายไปหมดเลยรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยเข้ามาให้จิตรับรู้นี้มันจะหายไปเพราะจิตมันตัดมันถอนตัวรับรู้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายชั่วขา่าว จิตก็จะสงบนิ่งเย็นสบายเหมือนนกเหมือนดำน้ำดำลงไปใต้น้ำอันนี้ปฏิบัติไปมันรู้เองไม่ต้องถามถ้ายังมันยังคิดอยู่ยังถ้ามันยังไม่ถึงจุดนั้นก็พุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เวลาถึงจุดนั้นมันก็คล้ายๆเหมือนกับตอนที่เรากระโดดลงน้ำเนี่ยเวลาเราเข้าไปสู่ความสงบบางทีมันก็รู้สึกตกวุบลงไปตกจากที่สูงลงไป ตกหลุมตกบ่อนั้นมันก็จะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายจะว่างนั่นแหละเราเข้าเกียวว่างของใจเข้าถึงเกียวว่างของใจแล้วตอนนั้นใจจะเบาจะเย็นเมื่อก่อนก่อนจะว่างนี้เหมือนแบกภูเขาไว้ในอกหนักอกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอทําใจให้สงบปั๊บเนี่ย ของที่หนักอกหนักใจต่างๆหายไปหมดเลยถึงจะรู้ว่าโอ้ยเราแบกเรื่องราวต่างๆไว้ในหัวใจของเราด้วยความคิดของเราเนี่ยแะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็หนักอกหนักใจไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนทีพอหยุดคิดปับ๊บความหนักอกหนักใจต่างๆก็หายไปหมดเราถึงมาเห็นขุนของการทำใจให้สงบว่านี่แหละคือ ของแท้ของจริงเพราะมันอยู่ในตัวเรามันมีอยู่ในตัวเรามาตั้งนานแล้วมันไม่มีใครเอาไปได้เรายังเราเป็นเจ้าของเรายังเอามันไม่ได้เลยเพราะเราโงา่เราแทนที่จะเข้าไปหามันเรากลับไปหาสิ่งอื่นแทนแทนที่จะเข้าไปหาความสงบเรากลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสกลับไปหาลาบยศสรรเสริญกัน แล้วเป็นไงผลที่จากการไปหาราบยศสรรเส ร, ริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็หนักอกหนักใจไปกับไอ้ลาบยศสรรเส ร, ริญหนักอกหนักใจไปกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยเพราะความโง่นเนี่ยอวิชชาเขาเรียกว่าโง่ไม่รู้ว่าความจริงนี้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ในตัวเราเองอยู่ข้างในตัวเราเองะ เหมือนกับคนที่ง่เอาแม่นตาเสียบไว้ที่หัวเนี่ยนะเก็คอยหาว่าควรกูวไว้แม่นตาไว้ที่ตรงไหนไปเดินหาทั่วบ้านทั่วเมืองก็หาไม่เจอพอมาคำหัวเข้าอา้าวมันอยู่ตรงนี้เองนึง่ยว่านี่แหละนะนี่แหล ะ, ละแบบเดียวกันเลยของดีๆของวิเศษมีอยู่ในตัวเรากับไม่รู้กัน กลับไปคิดว่าของดีๆของวิเศษอยู่ข้างนอกตัวเราอยู่ที่ร่างกายก่อนเพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายก็ไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆมาเสดไม่ได้ก็เลยกลายไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของวิเศษเนี้ยพอได้ร่างกายแนละ้ว โ, โหต้องคอยดูแลเลี้ยงดูมันแบบสุดๆทุ่มเทให้มันกับมันอย่างเต็มที่แล้วต้องคอย ตบคอยแต่งให้มันดูให้มันงามเอน็ดเหนื่อยไปกับการเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายที่ในที่สุดก็จะต้องตายไปอยู่ดีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันไม่สนใจตอนที่มันยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้มันใช้ประโยชน์ได้มันก็เลยพยายามที่จะเลี้ยงดูร่างกายแบบสุดๆเพื่อที่จะได้ไปหาสิ่งที่เราคิดว่าวิเศษกัน คือราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหพอได้เงินมาเนี่ยวันที่ถูกหวยนี่โอ้โหดีใจกันใหญ่พอมีเงินจะได้ไปเที่ยวได้ไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสไปชอปปิง้งไปทำอะไรกันได้แต่มันลืมไปว่าของพวกนี้มันหมดได้พอเวลาได้มามันดีใจพอมันหมดไปที่นี่ก็เสียใจพอไม่มีเงินถังแตกเราทาไง ทำอะไรไม่ได้แล้วอยู่บ้านก็เบื่อหงุดหงิดนำคาญใจนี่แหละคือของวิเศษที่เราหากันวิเศษตอนที่มีแต่เวลามันไม่มีมันกลายเป็นเหมือนยาเสพติดเวลามีเสพก็โหสุขเหลือเกินพอเวลาไม่มีเสพแล้วเป็นยังไงจะลงแดงตายกันนะตาลมาน นี่คือสิ่งที่เราเสฟกันทุกวันที่เราคิดว่าเป็นของวิเศษแล้วทั้งๆที่มีคนมาบอกว่ามันไม่วิเศษก็เลิกไม่ได้เนี่ยมาฟังเทศทางธรรมกันกี่ปีกี่เดือนแล้วยังเลิกเสพลาบยศสรรเสญรูปเสียงกลิ่นรสกันได้หรือเปล่าก็ยังไม่เลิกอย่างนั้นมันเลิกไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีของดีมาของของอย่างอื่นมาทดแทน เนียจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อจิตเข้าถึงตัวความสงบนี่นะถ้าเข้าถึงตัวความสงบได้มันก็เหมือนกับได้ของใหม่ของดีกว่าเหมือนได้รถยนต์คันใหม่มันถึงจะทิ้งคันเก่าได้แต่ถ้ายังไม่ได้รถใหม่นี่มันจะเก่าไงาก็ยังดีกว่าเดินวะ <laughs> ใช่ไหมอ่า เนี่ยที่เรายังทิ้งลาบยศสรรเสริญทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสกันไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าก็คือความสงบนี่นะนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ ดังนต้องพยายามเข้าหาตัวนี้ให้ได้มีเวลาจะเข้าหามันก็ต้องอดทนเพราะมันต้องหยุดหาราบยศสารเสริญถ้าไปหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายมันก็มาหาความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ไ่คนที่จะต้องหาความสุขจากความสงบนี้ก็ต้องไปอยู่วัดเนี่ยไปเปรีกวิเวกน ไปนุ่มขาวห่มขาวไปถือศีลแปะกันก็ไปได้แบบคนดำน้ำกระโดดดำน้ำได้สักสองสามนาทีก็ต้องถอนขึ้นมาแล้วต้องกลับมาหายใจใหม่เนี่ยเพราะว่าไม่มีเครื่องประดาน้ำเครื่องประดาน้ำพระพุทธเจ้าให้ก็ใช้ไม่เป็นเครื่องประดาน้ำก็คือสติปัญญานี่แหละ ให้สติปัญญามาใช้ก็ใช้ไม่เป็นมไม่ยอมใช้กันบอกให้พุทธโธแบบให้ฝึกสติก็ไม่ยอมฝึกกันชอบคิดกันอยู่นั่นมาอยู่วัดนี้ตั้งกี่วันแล้วเนี่ยพุทธโธได้สักกี่คำกับกับเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันอันไหนมากกว่ากันพุทธโธอาจจะได้สักยี่สิบสามสิบคำแต่คิดมันทั้งวันทั้งคืน ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่ามาอยู่วัดนี้ก็เพื่อมาหยุดความคิดเนี่ย แต่มันก็ยังหยุดคิดไม่ได้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเคยคิดเนี่ยมันเคยคิดจนชินเหมือนกับเคยหายใจพอจะให้มันหยุดหายใจมันเหมือนจะตายให้ได้มนเลยให้มันหยุดคิดไม่ได้แล้วมันไม่มีกำลังที่จะมาหัดพุทโธกันพุทโธได้สองสามคำก็เหนื่อยแล้วเบื่อแล้วคิดดีกว่าคิดเรื่องกาแฟคิดเรื่องขนม คิดเรื่องคนนั้นคนนี้มันกว่าสนุกกว่าคิดพุทโธแล้วสึกมันจืดจืดชืดชืดไม่มีรสไม่มีชาติมันก็เลยคิดไม่ไหวไม่คิดไม่ออกกันเนี่ยก็เลยดำน้ําได้ไม่กี่วันก็ต้องกลับบ้านกัเดี๋ยมาอยู่วัดได้ไม่กี่วันเดี๋ยวเต็มอึดละเต็มเกินละสุดสุดละหายใจไม่ไหวละไม่มีลมหายใจ ขาดรูปเสียงกลิ่นลดขาดลาบยศสารเสริญไม่ได้นะเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านกันนะแต่พวกที่รู้จักใช้เครื่องประดาน้ําที่พระเจ้าให้มารู้จักใช้สติรู้จักใช้ปัญญาก็สามารถที่จะอยู่ได้ยาวเลยบวชได้นานเลยบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นพระได้พวกนี้เขารู้จักใช้เครื่องประดาน้ํารู้จักใช้สติรู้จักใช้ปัญญา เขาก็เลยสามารถทําให้จิตนี้ลดความอยากที่จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นลดได้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าถึงความสงบก็ตามอย่างน้อยก็มีเครื่องหายใจในน้ําที่จะทําให้ไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อที่จะได้ไปดําน้ําหาของวิเศษที่อยู่ใต้น้ําได้นะต้องมีเครื่องประดาน้ํามีขุมทรัพย์ที่เรือล่มอยู่ในทะเลเนี่ย ถ้าอยากจะได้ขุมทรัพย์จากเรือล่มเนี่ยก็ต้องมีเครื่องประดาน้ำถึงจะลถึงจะดำน้ำได้นานได้ไกลถึงจะสามารถไปถึงขุมทรัพย์ที่อยู่ในเรือล่มได้แต่ถ้าลงไปเปล่าๆแบบไม่มีเครื่องประดาน้ำนี่ลงไปได้ไม่กี่นาทีก็ต้องถอนกลับขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะเข้าหาความสงบ เ้าหาสิ่งที่วิเศษที่สุดที่เรียกว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเลยต้องมีเครื่องประดานา้ำต้องมีเครื่องหายใจของให้กลับใจก็คือต้องมีสติปัญญาถึงจะสามารถาทำให้ไม่ต้องกลับมาหาลาบยศสรรเสริญกลับมาหารูปเสียงกลิ่นลดได้ยันเวลาไปอยู่วัดไปฝึก ต้องพยายามเอาจริงจังเอาจริงเอาจังอย่าทำแบบเลอะและอย่าทำแบบพอหอมปากหอมคอทำเป็นพิธีเช้าทำวัดครึ่งชงั่วโมงเย็นทำวัดครึ่งชงั่วโมงส่วนเวลาที่เหลือก็ปล่อยให้คิดไปปรุงไปแต่งไปคุยกันไปพ้งกันไปแล้วคุยกันานานๆก็คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงลาบยศดสรรเสริญกันคิดถึงมากๆก็อยากมากเพราะยิ่งอยากมากใจก็ยิ่งร้อน เดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ใจร้อนก็ต้องขอกลับบ้านขอลากลับบ้านกันกลับไปหาอะไรก็กลับไปหาราบยก ส, สรรรสนกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละเพียงแต่ว่าเราไปไปไปปรุงแต่งว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ต้องมีการรับผิดชอบต้องดูแลเขาอย่างงู้นอย่างนี้ความจริงมันก็เป็นแค่รูปเสียงกลิ่นรสโพธภิภพมันก็เป็นแค่ดินน้ำนมไฟเท่า แต่เราไปปรุงแต่งว่าเป็นพ่อเราแม่เราเป็นพี่เราน้องเราเป็นสามีเป็นภรรยาเราเป็นลูกเราเรามีภาระจะต้องคอยจัดการกับชีวิตของเขาควาจริง mm hmm. จัดการยังไงก็จัดการไม่ได้อยู่ดี mm hmm. ไหนที่สุดเขาก็แก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของเขาอยู่ดี mm hmm. นี่ไม่มีปัญญามันก็เลยถูกความหลงหลอกให้ดึงกลับไปหาสมมติต่าง ให้กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต้องไปคอยดูแลไม่เห็นว่าเป็นตายรักเนี่ยแต่เห็นตายรักก็ไม่ต้องไปไปก็ตายรักไม่ไปก็ตายรักไปก็ตายไม่ไปก็ตายไปทำไมไปก็แก่ไม่ไปก็แก่ ก็เจ็บไม่ไปก็เจ็บนะไม่เห็นกันนะคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษเหมือนถ้าเราไปแล้วเขาจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเขาจะมีความสุขท่านอยู่ใกล้เรามีเราคอยดูแลรักษาที่ไหนได้ตัวเราเองยังดูแลรักษาตัวเราเองไม่ได้เลยแล้วเราจะไปดูแลรักษาคนอื่นได้อย่างไรเวลาเขาจะแก่เวลาเขาจะเจ็บเขาจะตายไปห้ามเขาได้อย่างไรไปทำอย่างไรได้มไม่มีปัญญาเนะี่ย มันก็เลยถูกความหลงหลอกให้เราไปห่วงไปกังวลไปคิดว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราไม่ไปดูแลเขาเราเอาตัวรอดหรือเปล่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเป็นความคิดที่มันหลอกเราให้เรากลับไปหาราบยศเสรเสริญทั้งนั้นแหละกิเลสความหลงกิเลสปัญ ห, หามันฉลาดมันจะหาเหตุผลน้อยพันประการมาคอยหลอกให้เรากลับไปหามัน ให้เรากลับไปหาของที่จะทำให้เราทุกข์กันของที่จะทำให้เราถูกสุขกันมันไม่หลอกให้เราไปกันของที่ยาสิ่งที่จะพาให้เราไปหาของที่ที่สุขที่ที่ดีสำหรับเราก็คือปัญญานี่แหละเราต้องคิดถึงไตรักอยู่เรื่อย ว่าโลกนี้ว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครไม่มีเขาไม่มีเรามีแต่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับลมพัดนี่นะลมที่กําลังพัดนี่มีใครมาพัดหรือเปล่ามีเทวดาเอาพัดมาพัดให้เราหรือเปล่าไม่มีหรอกมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยให้มันพัดมันก็พัดร่างกายมันมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิด พอมันเกิดมันก็มีเหตุมีปัจจัยทาให้มันแก่ทําให้มันเจ็บทําให้มันตายไม่มีใครไปห้ามมันได้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงความจริงได้แล้วพอมันตายไปแล้วมันยังเป็นเราของเราอยู่เปล่ายังเป็นพ่อเราแม่เราอยู่เปล่าก็ยังถือว่าเป็นอยู่มันกระดูกยังเป็นกระดูกแม่อยู่กระดูกพ่ออยู่ทั้งๆ้งที่มันก็เป็นแค่ดินขี้เถ้าก็ยังเป็นขี้เถ้าของพ่อของแม่อยู่ มันเป็นของดินอ่ะมันเป็นดินมันเป็นของใครเราไปเราไปเราไปตู่เอาเฉยๆเหมือนที่ดินที่เราอยู่บ้านก็ไม่ความจริงมันก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไปตู่ว่าเป็นของเราแล้วก็มีคนมารับรองว่าเป็นของเราคือทางราชการเขาก็มารับรองว่าเป็นของเราออกโฉนดรับรองให้แต่ความจริงมันเป็นของใครนี่ไหถึงเวลาถ้าเขาจะมาเอาคืนไปน้ําทะเลมันซัดขึ้นมาเต็มหมดทั่วหมดมันก็ มันไปหมดแล้วธรรมชาติมันก็มาเอาคืนไม่ช้าก็เร็วแนี่คือโลกของธรรมชาติไม่ใช่โลกของเราไม่ใช่โลกของตัวเราให้เราเห็นทุกอย่างว่าเป็นธรรมชาติว่างจากตัวตนเป็นดินน้ำนมไฟมาผสมปรุงแต่งก็มารวมกันเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นใบหญ้าเป็นอะไรต่างๆเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนี่แท้จริงแล้วมันเป็นการรวมตัวของธาตุสีดินน้านมไฟ ที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่อนอนไม่ถาวรรวมกันได้อยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วเดียวมันก็แยกกลับคืนสู่ธาตุเดิมใช่ไร่างกายของเราต่อไปมันก็จะแยกดินน้าก็จะแยกออกจากร่างกายไปไฟก็จะแยกออกจากร่างกายไปลมก็จะแยกออกไปเหลืออยู่กับที่เหลือก็กลายเป็นดินไปมไม่มีตัวเราไม่มีของเรา เราไปตู่เอาเองไปว่าว่ามันเป็นของเราถ้าเป็นตัวเราแล้วเราก็เลยต้องไปทุกข์กับมันเพราะอะไรเป็นของเราเราก็อยากจะรักษาที่อยากจะรักษาเพราะเราจะได้ใช้มันไปหาสิ่งที่เราคิดว่าวิเศษแต่สิ่งที่เราคิดว่าวิเศษมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันวิเศษตอนที่ได้มาเวลาหายไปหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราก็เลย ทกุกันอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะได้มาเจอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่จะมาบอกให้เราเปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขหาความสุขข้างในอย่าไปหาความสุขข้างนอกสงจิตเข้าข้างในความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ข้างในอยู่ที่ความสงบดึงจิตเข้าข้างในถอดปลั๊กถอดรูปถอดปลั๊กที่ไปติดอยู่กับตาหูจมูกนิ้นกาย อย่าไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอย่าไปรับรู้ถึงความคิดต่างๆหยุดความคิดต่างๆพอหยุดได้แล้วทีนี้จิตก็จะสงบมีความสุขนะพอมันสงบแล้ว ก็มันจะสงบได้ชั่วคราวเพราะสติมันเกิดเกิดดับดับ <c oughs> ถ้าอยากจะให้มันสงบอย่างถาวร <c oughs> เวลามันจะออกไปหาลาบยศสรรเสริญใหม่ <c oughs> กใ็ใช้ปัญญามาสอนให้ปัญญามาบอกว่าสิ่งที่เราไปหานี้มันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงนะมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าเวลาหาไม่ได้ทีนี้ก็จะเดือดร้อนเวลาร่างกายไม่สามารถหาได้ทีนี้จะทำยังไงเป็นํอามาพึกกรรมภาพาเป็นโลกร้ไม่สามารถออกไปเที่ยวไปหาอะไรได้ให้ใช้ปัญญาสอนใจมันก็จะไม่กลับไปหาราบยศสรรเสริญอยู่กับความสงบดีกว่า ความสงบนี่เราสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ยังหาได้เพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสงบเราใช้สติใช้ปัญญาดัางนั้นพอเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถที่จะดึงจิตให้อยู่กับความสงบไปได้อย่างท้าม้พอเรา ดึงจิตให้อยู่กับความสงบอย่างถาวรจิตก็จะไม่ไปหาร่างกายอีกต่อไปไม่ไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปทุกข์กับการพัดพากจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันอีกต่อไปใจเราก็หมดปัญหาใจเราก็พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วก็เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด ใจของพระพุทธเจ้านี้ยังมีความสุขแบบนี้อยู่สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วผ่านไปแล้วแต่ความสุขของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนวันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ในวันเผ่นเดือนหกนะ นับตั้งแต่วันนั้นจิตของพระพุทธเจ้านี้มีแต่ปรมังสุขขังมาตลอดเวลาแต่จิตของพวกเราน้ณตั้งแต่สองพันห้าร้อยกว่าปีมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีปรามังทุกข์ขังมาตลอดเวลาทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้อยู่ก็ยังจะต้องทุกข์อย่างนี้ต่อไปตราบใดถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงความสงบของใจได้อย่างนั้นถ้าเราอยากจะหนี พ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความสุขที่ถาวรเราก็ต้องสร้างสติสร้างปัญญามาให้ได้ต้องขยันพุทโธต้องขยันเจริญสติต้องขยนัขย น, น, ขยนคิดถึงตาลักอยู่เรื่อยๆอันนี้จังทุกขงังอนัตตาแล้วรับรองได้ว่าภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจ็ดปีนี้จะได้อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันเอง ถ้าใครปฏิบัติตามสติปัฏฐานสูตรได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะถึงพานิพานอย่างแน่นอนนะนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสาคัญกั น, กนว่าอย่างอื่นในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหะมันเป็นความสุขปลอมความสุขที่จะหลอกให้เราต้องไปทุกข์ต่อไปใช้ายรักพยายามใช้ายรักเตือนใจให้เขาหาความสุขจริง คือความสงบด้วยสติด้วยปัญญาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปาลิปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปฏิอิชิตตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจาโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติอาระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทนสีดิสนิจจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมาวัฏติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้จาก Facebook 420 YouTube 236วิทยุออนไลน์26ผู้รับฟังบนเขา64รวมทั้งสิ้น746ท่านค่ะโอเคใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าถามก็เอาไมโครโฟนไปพูดใกล้ๆปากหน่อยจะได้ยินเสียงดัง ค่ะก็ตอนที่พระอาจารย์ธาเทศอะคะ่ะอยากจะแค่มาส่วนท็อปทวนสอบความเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองฟังแล้วก็แล้วก็วกคิดตามหรือว่าสิ่งที่หนูไม่แน่ใจว่ามันคือความคิดหรือเปล่าแต่หนูมีความรู้สึกว่าตอนที่พระอาจารย์เทศพัดมองเห็นว่า ตัวเราเนี่ยจริงๆคล้ายกับเหมือนมีคนชักใยอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าเออจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยจริงๆจะมีจิตที่ที่เป็นคนส่งความรู้สึกมาแล้วก็ร่างกายก็จะขยับหรือว่าเป็นไปตามที่จิตที่สั่งแต่ว่าในขณะเดียวกันจิตนั้นมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังจิตซึ่ง หนูตีความว่ามันคือความอยากที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังอความหลงความอยากเนี่ยเป็นตัวคอยผลักดันให้จิตไปหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายนูตืน่นเต้น <laughs> จิตเต้นนะ <laughs> <laughs> นะคะแล้วก็พัดเลยมีความรู้สึกว่าที่พระอาจารย์สอนนะคะตอนแรกมีคําถามว่าอา้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะป้องกัน ร, ระหว่างจิตของเรากับตัว ความอยากหรือว่าตัวกิเลส ท, ที่มันอยู่ข้างบนที่คอยบริหารเราอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงแต่ในท้ายที่สุดพระอาจารย์ก็เทศออกมาให้ฟังว่า ม, มีอยู่สองตัวก็คื อ, อสติกับปัญญาคร<ม>าวนี้หนูก็เลยมาคิดต่อว่าโอเคตอนนี้สติตามที่พระอาจารย์เคยสอนนะนะคะหนูก<ม>็ไปฝึกมันมันเริ่มมาบ้าง<ม>แล้วเราก็เริ่มเห็นจิต ที่มันสงบบ้างแต่ว่าความอยากเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในนะหัวเราอันนั้นต้องใช้ปัญญาถึงจะหายไปต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้เรายังเห็นว่าเป็นเป็นสุขอยู่เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาอยู่เราเลยอยากได้แนะเราต้องวิเคราะห์ว่ามันสุมันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาจริงหรือไม่ มันถาวรหรือไม่นิจจังไว้ว่าถาวรเส้งแท้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือมันเปลี่ยนแปลงแล้วเวลามันเปลี่ยนแปลงมันทําให้เราสุขหรือทําให้เราทุกข์แล้วมันเป็นของเราหรือไม่เป็นอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่เราสั่งมันได้หรือเปล่าก็คือเหมือนทุกครั้งที่เรามีความคิดความอยากเกิดขึ้นเราก็ต้องเหมือนสอนจิต ถามว่ามันเป็นทุกข์นะสิ่งที่เราอยากได้เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดก็คือเราพูดกับตัวเองสอนกับตัวเองอย่างนี้ได้ใช่ืหอต้องดูซิว่าจะสู้มันได้หเปล่าสอนมันบางทีมันยังดื้อก็ต้องใช้สติหยุดมันมันต้องใช้สติเป็นตัวหยุดใช้ปัญญาเป็นตัวสอนถ้าปัญญาไม่มีสติมันก็มันก็ดื้อได้มันก็หยุดมันไม่ได้ Oh. แต่ถ้ามีสติก็หยุดมันได้แต่ถ้ามีสติ uh. อย่างเดียวมันก็ไม่รู้ว่าจะไปหยุดตัวไหนไม่หยุดตัวไหนอ๋อ uh. uh, ค่ะก็คือเหมือนมีความรู้สึกว่าพอเราสอนไปสักพักหนึยวมันจะฟุง้งพอฟุ้งนี่คือไม่ได้แล้วต้องหยุดกลับมา uh. ที่สติก่อน uh. แสดงว่ามันไม่ยอมหยุดมันฟุง้งแสดงว่ามันไม่ยอมหยุดมันอยาไปหาสิ่งที่มันอยากได้มันถึงฟุ้งขึ้นมา แต่ถ้าเมื่อสมมติสมมติหนูหนูอยากจะสมมตินะคะหนูอยากจะไปญี่ปุ่นอยากมากเลยแต่หนูก็โอเคหนูเข้าใจว่าอันนี้คือกิเลสมาละจริงๆแล้วพอไปเนี่ยเห็นทุกเล่าไปก็ทุกข์เสียเงินก็ไม่อยากไปดีกว่าใช่ไหมใช่คัะแต่ถ้ามันยังดื้อยากไปอยู่ก็ทำยังไงก็ต้องหยุดมันด้วยสติ ต้องพุทโธพุทโธนั่งสมาธิเข้าสมาธิไปเพราะเข้าสมาธิมันก็จะหยุดคิดหยุดอยากได้่คะแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันเชื่อตามที่เราคิดก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ออก็คือถ้าเราตัดสินใจว่าไม่ไปก็ไม่จําเป็นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวความอยากตัวใหม่จะเข้ามาก็ต้องตัดมันไปเรื่อยๆแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอ๋อค่ะ เดี๋ยวเอาไปฝึกใหม่ค่ะขอบพะคุณเจ้าค่ะเมดวงตาเห็นธรรมแล้วเริ่มเห็นมากแล้วค่ะอาจารย์อหนูเอง้าคะโอเคโหสอนไม่รูมากี่ปีเพิ่งมาเห็นวันนี้พูดมาไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วเนี่ยอบพระคุณเจ้าค่ะ ใครถามใครอยากถามมันถามได้นะถ้าไม่ถามเดี๋ยวให้ทางบ้านที่เขาส่งคำถามเข้ามาถามก่อนค่ะคำถามจากคุณเดอะไทเทิลกราบนมัสการพระอาจารย์เรื่องความเพียรผมนั่งสมาธิจะตั้งนาฬิกาไว้ทุกครั้งจะบังคับให้ได้วันละสี่สิบนาทีแต่พยายามจะให้ถึงหนึ่งชั่วโมงทำไม่เคยได้สักทีครับ ทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวกระผมควรปฏิบัติอย่างไรดีครับก็ควรตั้งสติอย่าไปตั้งนาฬิกาถ้ามีสติแล้วนั่งได้เป็นชั่วโมงนาฬิกานี้เป็นเพียงแต่บอกเวลาว่าเรานั่งได้นานเท่าไหร่แต่อย่าไปใช้ตัวนาฬิกามาเป็นตัวตั้งต้องใช้ตัวสติเป็นตัวตั้งพอนั่งแล้วก็พุโทโธอย่าไปคิดถึงนาฬิกาถ้าคิดถึงนาฬิกามันจะคอยออกอยู่เรื่อย คอยถึงเวลาหรื อ, อยังขอถึงเวลาหรื อ, อยังเพราะมันอยากจะหยุดมันไม่อยากจะมันไม่อยากจะตั้งสติงั้นเราต้องตั้งตั้งสติอย่าไปตั้งนาฬิกานาฬิกาเพียงแต่ให้รู้ไว้ตอนนี้เราเริ่มต้นกี่โมงแล้วเราก็พอพอเริ่มเริ่มตั้งสติแล้วก็อย่าไปสนใจกับนาฬิกาถ้าเราไปตั้งนาฬิกานี่เมื่อ ไ, ไหร่มันจะดังทันทีว่าเมื่อไหร่มันจะดัง ท, ทันทีมันว่ายิ่งทรมานใหญ่ ว่ามันไม่มีสติคอยหยุดความอยากลุกเน่ยแต่ถ้ามีสติคอยกำกั บ, กบคอยควบคุมความอยากลุกนี่มันก็จะไม่ลุกมันก็นั่งไปได้นานเพลินไปบางทีเกินชั่วโมงเกินเวลาที่เราตั้งไว้พอสุดสุดสุดจะตั้งสติหมดกําลังออกมาถึงจะรู้โอ้นั่งได้นานกว่าที่เรานึกไว้เสียอีกฉะนั้นอย่าไปเอานาฬิกาเป็นตัวตั้งเอาสติเป็นตัวตั้งการปฏิบัตินี่ต้องใช้สติเป็นตัว ตัวนาพระพุทธเจ้านี่บอกว่าสติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีต้องฝึกสติในทุกเวลานาทีแล้วจะได้มีกำลังที่จะคอยควบคุมจิตใจได้คำถามจากคุณฟิลถ้าเราโอนเงินเข้าบัญชีทางวัดแทนการใส่บาตรตอนเช้าจะได้บุญเหมือนกันไหมครับเหมือนกัน บุญอยู่ที่การเสียสละข้าวของเงินทองไม่ได้อยู่ที่ผู้รับเนยผู้รับนี่เป็นเพียงแต่ผู้เป็นผู้เ อ, อื้อประโยชน์ให้เราได้ทำบุญถ้าไม่มีผู้รับเราก็ทำบุญไม่ได้ยังไงเราต้องมีผู้รับแตบุญไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ว่าปริมาณของการเสียสละของเราเราเสียสละมากเราก็จะได้บุญมาก พอใจเราจะมีความรู้สึกอิ่มมากสุขมากขึ้นลองเปรียบเทียบดูทำบุญร้อยบาทกับทำบุญหมื่น 10, บาทดูมันจะเห็นผลแตกต่างกันะความรู้สึกที่เราได้เสียสละเนี่ยมันทําให้รู้สึกมีความปลื้มปิติมีความสุขมากคําถามจากคุณจินขอบคําถามที่หนึ่งจิตดวงเดียวสามารถส่งวิญญาณมาเกาะร่างกายมากกว่าหนึ่งร่างพร้อมกันได้ไหมครับไม่ได้แร้ว มันเกาะได้ร่างเดียวกกาะได้หลายร่างก็เียมันต้องอาศัยอีกลร่างกายไปเก่ออีกร่างหนึ่งเช่ได้มีคนนี้แล้วก็อยากจะได้คนนแต่มันก็ต้องใช้ร่างกายอันเดียวแต่มันจะใช้กระแสจิตไปเกาะเมียสิบคนนี่ไม่ได้มันต้องใช้ร่างกายอันเดียวใช่ไหมมีรถยนต์เกียร์คันก็ต้องมีร่างกายอันเดียวใช่ั้ม แต่จะซื้อรถสิบคันก็ต้องมีร่างกายอันเดียวแล้วค่อยส่งกระแสจากร่างกายไปเกาะน้นอีกสิบคันได้อยู่แต่จะจะส่งตรงจากจิตไปไม่ได้ต้องผ่านทางร่างกายร่างกายนี้เป็นเป็นจึง เ, เ, เป็นเครื่องมือสําคัญของใจไงมันถึงรักถึงห่วงมากถึงห่วงมากเพราะถ้าเกิดร่างกายทําอะไรไม่ได้เนี่ยมันไม่สามารถแปเอาอะไรมาได้นะ มันถึงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันแต่กลัวไงมันก็ถึงเวลาก็ต้องไปกันใหญ่โตขนาดไหนร่ารวยขนาดไหนถึงเวลาก็ต้องทิ้งร่างกายไปค่ะคำถามที่สองทำไมเกิดใหม่จึงลืมสัญญาเดิมครับไม่ดืมเนอะสิ่งที่เราติดไปกับใจมันไม่ลืมอ่ะชอบเล่นการพนันนั้นไม่ลืมอ่ะชอบดื่มเหล้าไม่ดื่มอ่ะ ของอะไรที่เราชอบเราชังนี่จะไม่ลืมชอบสีเขียวชอบสีแดงนี่มันไม่ลืมเกียดติสีขาวเกียดสีอะไรมันก็ไม่ลืมเกียดอาหารชนิดนั้นเกียรตรอย่างนั้นเกียดรสอย่างนี้มันไม่ลืมของพวกนี้มันไม่ลืมมันอะไรที่มันฝังอยู่ในใจมันจะไม่ลืมแต่อันไหนที่มันฝังอยู่ในสัญญามันลืมได้เช่นชื่อคนนี่ลืมได้ภาษานี่ลืมได้เพราะว่า พอเรามาเกิดเราไม่ได้ใช้ภาษาเก่าไม่มีใครใช้มันก็เลยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เรานึกถึงภาษานั้นแต่ถ้าเราชอบสีเขียวสีแดงพอเรามาเห็นสีเขียวสีแดงมันก็จะกระตุ้นความอยากความชอบของเราที่มีอยู่ในใจให้โผล่ขึ้นมาได้ฉะนั้นมีสิ่งที่เราไม่ลืมคือบุญบาปนี้ไม่ลืมเคยทำบุญมันก็จะติดเป็นนิสัยไปจะชอบทาบุญเคยชอบทาบาปมันก็จะติดเป็นนิสัยไป เคยชอบใช้มือซ้ายมือขวามันก็จะติดเป็นนิสัยไปเขาพวกนี้ไม่ลืมเขา อ, อะไรที่มันฝังอยู่ในใจด้วยการปฏิบัติมันจะไม่ลืมด้วยความชอบความชังมันจะไม่ลืมแต่ถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของความชอบความชังนี่มันลืมได้ค่ะคาถามข้อที่สามจะคุณจินขอบนะคะถ้าสร้างหุ่นยนต์ชีวภาพ เหมือนมนุษย์ทุกประการจิตจะส่งสัญญาณมาเกาะได้ไหมครับไม่ได้หรอกไม่ดูนะอาจจะได้ก็ได้หอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีผสมเทียมได้นี่ใช่ไหมผสมเทียมมันก็จิตก็ส่งไปเกาะอเกาะร่างกายที่เกิดจากการผสมเทียมได้อยู่แต่สิ่งที่เกิดจากต่อไปมนุษย์อาจจะสร้างสร้าง สร้างโดยที่ไม่ต้องไม่ใช้พ่อแม่สร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้พ่อแม่ก็ดูซิว่ามันจะมีมีตัวจิตไปเกาะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอันนี้ยังไม่มีเกิดเลยไม่สามารถที่จะพูดได้คาถามจากคุณรัชนีขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องปรัชญธรรมให้ด้วยค่ะก็เนี้ปรัชญธรรมคือความจริงที่ไม่ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่เหนือความจริงความจริงที่เรารู้กันนี้เป็นความจริงที่เรียกว่าสมมติความจริงสมมุตินี้มันเปลี่ยนไปตามการตามเวลาตามสถานที่ได้แต่ความจริงที่ไม่เปลี<ม>่ยนแปลงก็เรียกว่าปรมัตก์ก็คือธาตุทั้งหกนีนๆๆ้เป็นปรมัตก์มีอยู่ตลอดเวลาดินน้ำนมไฟอากาศ ธาตุรู้อันนี้เป็นของที่เป็นของดั้งเดิมเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปกับการกับเวลาแต่สิ่งต่างๆที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งหกนี้อมีเกิดมีดับ เ, เราก็ตั้งชื่อมันต่างๆนาน า, นาไปเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชาย เ, าเป็น ผู้ใหญ่เป็นเด็กอะไรพวกนี้อันนี้เป็นความจริงที่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาตามเหตุการ์แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ก, ก็คือเนี่ยธาตุทตั้งหกอ น, นิจจังทุกขังอนัตตะเนี่ยมันเป็นเป็นความเป็นความจริงที่เป็นอมตะคำถามจากคุณพรมพร กลับเรียนถามค่ะเสื้อผ้าญาติที่ตายไปแล้วแล้วได้บางสกุลให้แล้วนําไปบริจาคต่อได้ไหมคะได้ใสเองก็ได้ถ้าชอบเสื้อผ้าของคนตายก็ใส่ได้มันไม่มันไม่เกี่ยวคนตายมันไม่ได้ทําให้คนใส่ตายไปกับคนตายด้วย คำถามจากคุณฮันเตอร์การปฏิบัติที่ผ่านมาผมรักษาศีลห้าและมีสติรู้ตัวระหว่างวันเวลานั่งสมาธิพยายามทําสม่ําเสมอผมควรเสริมอะไรเพิ่มเติมครับทําให้มากขึ้นเ่ยทําให้มันเกิดผลถ้ายังไม่เกิดผลก็ต้องทําให้มันเกิดผลตัวที่จะทําให้เกิดผลก็คือสติต้องเน้นที่สติพยายามฝึกสติให้มากๆตลอดเวลา ให้มีสติอยู่อย่างต่อเนื่องที่เรียกก็เป็นสันปัชัญญะไม่ให้ไม่ใช่เกิดเกิดหายหายให้มันมีสติต่อเนื่องถ้าพุโทโธก็ต่อเนื่องเป็นนาทีเป็นชั่วโมงไปอย่าไปหยุดมันคําถามชกุลบุญชูถ้าผมจะลาออกจากเจ้านายเพราะงานผมไม่ค่อยมีวันหยุดให้ครอบครัว แต่เจ้านายเคยมีบุญคุณให้ยืมเงินซื้อบ้านโดยไม่เสียดอกสักบาทแล้วถ้าผมผ่อนคืนหมดแล้วลาออกแบบนี้จะเรียกว่าอากตันยูไหมครับก็มันไม่น่าจะเป็นอากตันยูถ้าเราถ้าเรามีความจาเป็นจะต้องไปก็ไปไปด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเราต้องการจะตอบแทนบุญคุณ ด้วยการอยู่ทํา ง, งานกับเขามันก็อาจจะมองว่าเป็นอักตันอยู่ได้แต่ถ้าเราเราอยากจะตอบแทนบุญคุณด้วยวิธีอื่นก็ได้ก็บอกเขาว่าพี่ต้องการใช้ผมเมื่อไหร่ก็เรียกใช้ได้แต่ตอนนี้ผมต้องขอมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างอันนี้พูดด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้เป็นการอักาตันอยู่แต่อย่างใดเพียงแต่ขอเปลี่ยนวิธีตอบแทนบุญคุณว่าตอนนี้ไม่สามารถตอบแทนบุญคุณแบบนี้ได้ พอเปลี่ยนวิธีใหม่เช่นวันไหนพี่ต้องการให้ผมใช้รับใช้ก็บอกได้ผมก็มารับใช้ได้ทั้งวันเลยอะไรอย่างงี้คำถามจากคุณแมนขอทราบความเข้าใจเกี่ยวเนื่องจากคําที่ว่าจิตตกผวังหรือผวังขจิตด้วยครับและเมื่อจิตตกผวังแล้วอาจเกิดความรู้ความเห็นหรือความคิดในขณะนั้นๆได้หรือไม่ครับ เมื่อผวางนี้มีสองความหมายคือจิตเข้าสู่สภาพที่ต่างจากตอนที่ไม่ได้อยู่ในภวังเช่นตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในผวังกันเรารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนีเรียกว่าอยู่ในสภาพที่ตื่นแต่การเข้าสภาวะงนี้มีสองแบบแบบหลับกับแบบสมาธิแบบหลับก็คือไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เรารับรู้ตอนที่เราตื่น พราะเราหลับหลับเพราะเราไม่มีสติรับรู้แต่การเข้าสมาธินี้เราไม่รับรู้ภาวะที่เรารับรู้ตอนนี้แต่เรายังมีสติรู้อยู่ว่าเราไม่รับรู้อะไรเรียกว่าสมาธิผวังหลับกับะวังสมาธิมันใกล้กันมันจะต่างกันตรงที่สติหรือไม่มีมีสติหรือไม่มีสติถ้านั่งพุทธโธพุทธโธไปเพราะจิตดึงออกจากการรับรู้รูปเสียงกิเลส เข้าพวังพอหมดสติก็เลยหลับไปแต่ถ้าสติไม่หมดก็เป็นสมาธิไปอันนี้ก็คือเรื่องของผวังสภาพของจิตที่เข้าสู่เอกเอกโลกหนึ่งเข้าสู่โลกทิพย์ก็ได้การหลับก็กลับเข้าสู่โลกทิพย์แต่เข้าแบบหลับกลับเข้าแบบตื่นเข้าแบบตื่นก็เข้าแบบสมาธิ เกปล่อยวางเรื่องเหตุการณ์ทางร่างกายชั่วคราวแล้วก็ไปอยู่กับเหตุการณ์ทางโลกทิพย์เช่นถ้าหลับก็ฝันได้ฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโลกทิพยนะ์หรือถ้าจิตสงบจตเข้าสมาธิแล้วไปติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ติดต่อแบบ ตาอยู่ในแบบลักษณะตื่นในโลกทิพย์กับหลับในโลกทิพย์คำถามจากคุณนัทวัตรกระผมเป็นนักเรียนสงสัยครับว่าการที่เราปฏิบัติสมาธิสามารถนําไปพัฒนาการเล่าเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไรครับถ้าเรามีสมาธิแสดงว่าเรามีสติเราสามารถจดจ่อรับฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ได้อย่างต่อเนื่อง หรือเวลาเราอ่านหนังสือเราก็อ่านได้อย่างต่อเนื่องความรู้มันก็จะเข้ามาในใจเราได้มากแล้วก็จะจดจำได้มากเวลาไปสอบก็จะสอบได้มากแต่ถ้าสติไม่ดีสติไม่ควบคุมใจให้อยู่กับการฟังการอ่านการเรียนเวลาครูสอนเวลาอ่านหนังสือใจไปคิดถึงแฟนคิดถึงสถานที่เล่นที่เที่ยว ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือมันก็จะน้อยมันก็จะจดจําได้น้อยพอไปสอบมันก็สอบได้น้อยได้คะแนนน้อยเนี่ยสติเป็นตัวที่คอยดึงใจให้รับความรู้ต่างๆเวลาที่เรียนะคนที่นั่งสมาธิได้แสดงว่ามีสติถึงจะนั่งได้ถ้าไม่มีสตินั่งไม่ได้นั่งได้สองสามนาทีก็อยากจะลุกแล้ว พ่เรารู้สึกอึดอัดเพราะใจไม่อยากจะนั่งใจอยากจะไปลุกไปทํานู่นทํานี่ต่อคําถามจากคุณปภาโมโนลมหายใจเข้าออกมันมีสุขมากเมื่อตามลมเมื่อกําหนดลงมาที่ท้องยังสุขอยู่อันนี้ติดสุขหรือไม่จะทิ้งสุขด้วยวิธีใดครับไม่ไม่ทิ้งเนี่ยเรานั่งสมาธิเพื่อหาความสุขอันนี้สุขแท้ไม่ให้ทิ้งให้ทิ้งสุขปลอม สุขที่ได้จากแฟนสุขที่ได้จากข้าวของเงินทองนี้ให้ทิ้งให้หมดเพราะมันเป็นสุขบลอมมันจะทำให้เราทุกข์แต่สุขแท้นี้มันไม่ทำให้เราทุกข์มันเราต้องการเมื่อไหร่มันก็อยู่กับเราซื่อสัตย์กับเราอย่างนั้นการติดสุขแท้นี้ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ไปติดสุขบลอมกันแบบติดยาเสพติดอย่างนี้นแล้วติดสุขปลออย่าไปติดมัน ติดแล้วมันจะทําให้เกิดความทุกข์ตามมาต่อไปถ้ากลัวจะติดความสุขจากนั่งสมาธิก็อย่าไปนั่งมันด้ยนั่งสมาธิมันก็ต้องได้ความสุขเลยไม่รู้เรื่องเลยมันแล้วนั่งไปทําไมไม่รู้เหมือนกันนั่งไปทําไมนั่งแล้วกลัวติดสุขก็อย่าไปนั่งมันเลยถ้ากลัวจะติดสุข นั่งให้มัน PM ติด at, มันจะได้มีความสุขเป็นความสุขที่ฟรีไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปทํางานเห็นไหมเนี่ยเรามีงานเราๆออกจากงานมาหาความสุขแบบไม่ต้องทํางานดีกว่าอออย่างีสนนนัุข้้ไม่รู้ก็ไม่รู้เขาพูดยังไงก็เรื่องของเขาไม่ติดสุขในสมาธิแล้วเดี๋ยวก็ไปไหนสอบด้านคกลัวติดสุขเออเขาพูดไม่รู้เรื่องหรอ นี่พระพุทธเจ้าจะสอนให้ฝึกสมาธิปไปทำมเนี่ยคาถามจากคุณซีนเ ม, เมื่อเวลาเรานั่งสมาธิเราจำเป็นต้องภาวนาพุโทโธตลอดหรือไม่คะก็แล้วแต่เราว่าต้องใช้มันจำเป็นสำหรับเราหรือไม่ก่อนบางคนนั่งสมาธิโดยไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ นั่งหลับตาบั๊บสั่งให้มันหยุดคิดมันก็หยุดคิดได้สั่งให้มันสงบมันก็สงบได้ก็ไม่ต้องใช้พุทโธแต่ถ้ามันเดือมันไม่ยอมสงบมันยังจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องใช้พุทโธใช้การดูลมหายใจหรือระลึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันหยุดคิดนี่นก็อยู่ที่กําลังสติของเราว่าเรามีมากมีน้อยบางคนนี่นั่งหลับตาพั บ, บอกให้คิดปั๊บมันก็หยุดคิดเนอ่ยนี่แสดงว่า สติมากชำนาญบางคนนี้แบบยังเป็นเด็กล้มลุกคลุกคานอยู่เราให้หยุดคิดมันก็ยังคิดอยู่ก็ต้องใช้มาตรการหยุดคิดใช้พุทโธใช้ดูลมาหายใจคำถามจะคุณนาพรการปฏิบัติธรรมเข้าวัดจำเป็นจะต้องใส่ชุดสีขาวอย่างเดียวหรือเจ้าคะก็ถาน ว, วัดที่เราเข้าถือว่าจาเป็นือไม่เข้า บางวัดเขาอาจจะว่าไม่จําเป็นบางวัดเขาให้ใส่ขาวนุ่งนุ่งดําห่มขาวบางวัดเขาก็ให้นุ่งขาวห่มขาวบางวัดเขาก็ตามอธัธยาศัยไม่ต้องมีชุดอะไรก็ได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่วัดว่าเขาจะกําหนดขึ้นมาอย่างไรเหมืนอนโรงเรียนเใช่ไหมโรงเรียนดาวโรงเรียนก็มีการกําหนดการแต่งกายไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องถามโรงเรียนว่าจําเป็นมไหม โรงเรียนนานาชาติเขาไม่ให้มีเครื่องแบบนะเด็กโรงเรียนนานาชาติเขาให้ปล่อยตามอัธยาศัยใส่อะไรไปก็ได้แต่ถ้าโรงเรียนของไทยเหล่านี้มันมีเครื่องแบบกันประถมก็มีแบบหนึ่งมัธยมก็มีแบบหนึ่งนิสิตนักศึกษามหาลัยก็มีอีกแบบหนึ่งงั้นก็อยู่ที่สถาบันเขาจะกําหนดขึ้นมาก็เหมือนกับวัดที่เราไปปฏิบัติเขาก็มีการกําหนดขึ้นมาว่าจะให้ใส่แบบไหน บางวัดเขาก็ไม่กำหนดใส่กันไปเองก็มีบางบางวัดเขาไม่ได้บอกว่าต้องใส่อย่างนั้นอย่างนี้แต่คนเคยเข้าวัดเคยใส่ชุดขาวก็เขาก็จะใส่ชุดขาวไปคนที่ใส่ดำขาวเขาก็จะใส่ดำขาวไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่วัดค่ะคำถามจากคุณสุวิทย์ผมสงสัยมากเลยครับว่าหลายๆตำราและหลายๆพระอาจารย์บอกไว้ว่าการทำทานขึ้นอยู่กับผู้รับด้วยเปรียบเหมือนกับ การหวานข้าวในพื้นนาที่ดีก็จะได้ข้าวมากตามไปด้วยเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาคนถามถามเรื่องคนให้เราก็พูดถึงเรื่องคนให้ถามว่าได้บุญหรือเปล่าบุญนี่มันเกิดที่คนให้มันไม่ได้เกิดที่คนรับก็ได้ไหมคนที่รับนี่เราจะได้ได้ธรรมะไม่ใช่ได้บุญถ้าถามว่าทำบุญแล้วได้ธรรมะทำยังไงก็ต้องถักกับพระพุทธเจ้าจะได้ธรรมะเยอะที่สุด พราะพุทธเจ้ามีธรรมะมากที่สุดเยแต่ถ้าทําบุญเพื่ออยากได้บุญก็ทํากับหมาก็ได้ทํากับหมาก็ได้บุญแต่ถ้าอยากจะได้ธรรมะทํากับหมาไม่ได้ธรรมะล้วไม่ถามเนี่ยว่าจะอยากจะได้อะไรถามที่ใดก็ถามว่าได้บุญหรือเปล่า <laughs> แล้วก็บอกว่าบุญมันทํากับใครก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้ธรรมะต้องเลือกคนคนที่มีธรรมะมากๆจะได้ธรรมะเต็มที่ ถ้า ไ, ได้ธรรมะคนที่มีธรรมะห้าสิบก็ได้แค่ห้าสิบคนที่ไม่มีธรรมะเลยก็ไม่ได้เลยทั้ น, นี้อยู่ที่คนห้คนรับแล้วถ้าเราอยากได้ธรรมะต้องดูคนรับถ้าเราอยากจะได้บุญดูที่ปริมาณที่เราเสียสละเสียสละมากเสียสละน้อยเข้าใจไหมคิดไม่เป็นเงี้ยเองแล้วก็คิดไปว่าคนอื่นเขาโดยที่ไม่รู้สึกคิดว่าตัวเองรู้มากฉลาดมาก การิงก็ไหตายออกมามางโง่คคืออาจจะถามไม่ต่อเนื่องคุณสุวิทย์เขามาอีกคือคุณสุวิทย์ต่อมาจากคำถามเมื่อกี้เลยนะคะว่าคือเนื้อนาบุญที่ดีเหมือนกับทาทานกับพระอริยะครับก็คุณต้องการอะไรนะ <c oughs> เนื้อนาบุญนะ ถ้าคุณปลูกข้าวคุณก็ต้องหาดินที่ดีดินดีน้ําดีข้าวมันจะได้ออกโรงเยอะแต่มันก็ยังไม่ได้ตอบคําถามเนี่ยเพราะว่าดินดีดินดีดินดีนี่ก็หมายถึงเงินดีก็ได้ถ้าทําเงินเยอะบริจาคเยอะบุญก็เกิดเยอะใช่ไหมถ้าบริจาคน้อยบุญก็เกิดน้อยแสดงว่าดินมีปุ๋ยน้อย ปุ๋ยคูเงินเนี่นั้นมันยังไม่ได้ตอบคําถามที่ถามมาหรอกการเนื้อนาบุญนี่หมายถึงเราต้องการของที่เราได้จากคนที่รับคนที่เราให้ของเขาไปแต้องการผลตอบแทนจากคนที่เรารับเราก็ต้องดูว่าคนที่เราทําบุญด้วยเขามีอะไรให้เราถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องหาคนที่มีธรรมะ ถ้าเราต้องการคนที่เขาให้ความสุขกับเราเราก็หาคนที่เขาให้ความสุขกับเราหาแฟนกันใช่ั้ยไม่ไปหาธรรมะใช่ไหมทบุญกับแฟนหรือเปล่าทำใช่ไหมซื้อของให้แฟนหรือเปล่าเลี้ยงแฟนหรือเปล่ามันก็ทาบุญเหมือนกันใช่ไหมแล้วเราได้อะไรจากแฟนก็ได้แฟนมาเป็นของเราก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรงานนั้นก็ต้องดูคนที่เราทำว่าเขาจะให้อะไรกับเรา ใช่เราทากับโรงเรียนเราต้องการอะไรเราต้องการปริญญาใช่ไหมต้องการปริญญาเราก็ไปทำบุญกับมาหาลัยเนี่ยแล้วเราก็ไปเรียนหนังสือพอจ่ายเงินเขา <Yeah. S 1> เขาก็เราให้เราเรียนหนังสือพอเราเรียนจบเขาก็ให้ปริญญาเราอันนี้เป็นของที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทำบุญด้วยแต่ของที่เราได้รับจากการให้นี้มันอยู่ในใจเราเรียกว่าความรู้สึก ความรู้สึกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารับจากคนอื่นเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการเสียสละของเราเ็นต้องเข้าใจว่าการทำบุญมันมีผลสองสองสองต่อผลคือที่เกิดจากในใจเราและผลที่ได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยเรนก็ต้องรู้จักแยกแยะอย่างที่เคยเปรียบเทียบ ว, ว่าเวลาเราไปเติมน้ำมันเนี่ย ถ้าเราต้องการน้ำมันอย่างเดียวเราเติมปั๊มไหนมันก็เหมือนกันใช่ไหแต่ถ้าเราต้องการของแถมเราก็ต้องไปเลือกปั๊มที่มีของแถมที่เราต้องการถ้าปั๊มเราต้องการยาสีฟันร้านนี้ปั๊มนี้แจกยาสีฟันเราก็ไปเติมปั๊มที่แจกยาสีฟันถ้าไปเติมปั๊มที่แจกผ้าขนหนูก็ไม่ได้ยาสีฟันอันนี้มันเป็ น, ปนสองอย่างสองเรื่องด้วยกันแต่น้ามันนี่ได้เหมือนกัน ทำบุญกับผ้าอรหันต์ก็ทำบุญกับหมาก็ได้บุญคือความสุขใจเหมือนกันถ้าเท่ากันถ้าเสียสละเท่ากันถ้าเสียร้อยบาทกับผ้าอรหันต์เสียร้อยบาทกับหมามันก็ได้ความสุขใจเท่ากันแต่สิ่งที่เราได้จากผ้าอรหันต์กับจากหมาต่างกันผ้าอรหันต์ก็จะสอนให้เราบรรลุปเป็นผ้าอรหันต์ได้หมามันก็จะสอนให้เราเห่าได้ <laughs> <laughs> ชอบใจคำถามจากคุณฟูค่ะในการทำประกันจะมีชื่อให้ลงผู้รับประโยชน์ถ้าผู้ทำประกันตายไปแล้วค่าประกันจะเป็นของผู้รับประโยชน์อย่างนี้ถือได้ว่าเป็นการทำทานให้คนที่เขาได้รับประโยชน์หรือไม่ครับมันก็เป็นเพราะเราเสียสละเงินจ่ายค่าประกันไปแล้วก็รอเวลาที่เราเกิดตายไป เราก็จะได้รับเปรยียวนนี้ได้ประโยชน์เพราะว่าเราจ่ายเงินตอนที่เรายังไม่ตายแต่ถ้าเราไปจ่ายไปจ่ายเงินตอนตายเราจะไม่ได้รับเปรยียวเราต้องเราต้องเสียของของเราไปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ต่างกับการบริจาคเอาไว้ยาวะเพียงแต่สั่งไว้แต่ยังไม่ได้ให้พอตายแล้วก็ให้ดังั้นพอตอนที่เราตายเอาไว้ยวะนั้นมันไม่ได้เป็นของเราแล้ว เราเราเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วสมมติว่าไมา่ไม่อยากให้ก็ไม่ให้ไม่ได้แล้วฉะนั้นถ้าเราเสียของตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่ได้บุญแต่ถ้าเราเสียของตอนที่เรายังไม่ตายนี้เราได้บุญเช่นซื้อประกันนี้เราต้องจ่ายเรื่อยๆใช่ไมอมตอนที่จ่ายเบีย้ยประกันนี้เน่ก็เท่ากับทําบุญนล้วแต่ผู้รับนี่ยังไม่ได้รับประโยชน์ต้องรอให้เราตายก่อนเขาถึงจะได้รับประโยชน์ได้รับกรรมทันนะ ของของเบี้ยประกันที่เราจ่ายที่ <DA> แต่เราได้บุญแล้วเพราะเราเสียสละเราต้องจ่ายเงินออกมา esterol, แต่เวลาเราบริจา克ร่างกายเรายังไม่ได้บริจาคเรายังไม่ได้เสียสละอะไรเป็นเพียงแต่กระดาษใบหนึ่งที่เราเซ็นชื่อลงไปเฉยๆเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นถ้าเราบริจาคเลือด well. like เนี่ยนได้บุญบริจาคไตไปข้างหนึ่งได้บุญบริจาคตาไปข้างหนึ่งได้บุญเพราะเราเสียสละ แต่ถ้าเราตายไปเราไม่รู้ว่าเราเสียสละอะไรไปหรือเปล่าเขาจะไปทำอะไรกับร่างกายเราไม่รู้แล้วยังตอนนั้นเราไม่ได้บุญค่ะคำถามจากคุณพรประพัฒ ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมีอาการสั่นเจ็บปวดทรมานหรือหรือร้องไห้กรีดออกมาเคยสอบถามบางคนบอกว่าเราโดนคุณญสัของดําทําให้เรานั่งสมาธิไม่ได้นานเราควรทําอย่างไรคะอยากให้จิตใจสงบไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะไม่มีสติไงนั่งไม่มีสตินั่งเฉยๆปล่อยให้ใจมันผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาถ้ามีสติพุโทโธพุทโธอยู่จะไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้ มีพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกนี่มันจะควบคุมจิตที่จะมาผลิต อ, อาการต่างๆปรากฏขึ้นมาสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสมาธิเกิดจากการผลิตของจิตเหล่านี้เองแต่ถ้ามีสติคอยกากับคอยควบคุมมันก็ผลิตไม่ได้ยิ่งนั่งสมาธิต้องมีสติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ใช่นั่งสติ ตั้งสติพอเริ่มนั่งก็พุโทโธสองคำแล้วก็เฉยนั่งไปเรื่อยๆแบบไม่มีสติเดี๋ยวอะไรก็โผล่ขึ้นมาคำถามจากคุณ PNW ถ้าการกระทาบางอย่างที่เราเห็นโทษว่าเป็นเหตุให้เรายึดติดกลัวผลที่จะได้รับในอนาคต แต่ยังมีคนอื่นที่ต้องกระทบเกี่ยวข้องถ้าเราหยุดการกระทำนั้นเราควรจะจัดการอย่างไรครับเราก็ต้องยอมรับผลที่ทจะตามมาเลยจะจัดการยังไงคุณจะรักพี่เสียดายน้องได้ยังไงต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาพี่ก็อย า, อาน้องเอาน้องก็อยาอาพี่ถ้าอยากจะไม่รับผลกระทบจากการกระทำของเราเราก็หยุดการกระทำนั้นไปแต่ถ้าเรายังเป็นห่วงคนนั้นคนนี้อยู่ ตัวเขาจะได้รับการเดือดร้อนจากการที่เราหยุดการกระทําเราก็ต้องเหยืเราก็ต้องพร้อมที่จะรับกับผลที่เราจะต้องเกิดขึ้นจากการกระทําของเรานั้นมันจะเอาทั้งสองอย่างได้อย่างไงใช่ไหมเหมือนคุณจะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณจะไปทั้งสองทางได้เป่าถ้าอยากจะไปสัตหีบอีกใจหนึงก็อยากจะไปพัทยาเนี่ยไปถึงสุขุมเวทด้านจะไปทางไหนดีเนี่ะจะไปทั้งสัตหีบทั้งพัทยาไม่ได้ต้องเลือกไปทางใดทางหนึ่ง มันหรือยังมีอีกคำถามหนึ่งค่ะเดสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายจากคุณศรีสุดากราบเรียนถามพระอาจารย์การนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ที่บ้านจำเป็นต้องชำระล้างร่างกายก่อนและแต่งกายสุภาพก่อนปฏิบัติหรือไม่เจ้าค่ะอ๋อไม่จำเป็นการปฏิบัตินี้ครปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับขณะที่อาบน้าก็จะดัิสติได้ ถ้็นทาจะเจริญสติจริงๆนี่ทำได้ตลอดเวลาร่างกายเป็นเรื่องความเหมาะสมเมื่อมันสกรปรกมันก็ควรที่จะชำระร่างกายให้มันสะอาดแต่มันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัตินี้เกี่ยวอยู่ที่สติตัวเดียวมีสติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาไม่มีสติผลก็จะไม่เกิดต่อให้อบน้ำกี่ครั้งก็ตามตามนั่งแล้วไม่มีสติผลมันก็ไม่เกิด ยังต้องเข้าใจเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิแต่มันอาจจะไปเกี่ยวกับข้องกับคนอื่นเช่นไปนั่งนั่งสมาธิกับคนอื่นแล้วตัวยังเหม็นอยู่อย่างนี้ก็อันนี้ก็มันก็ต้องไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ไปนั่งกับเขาฉนั้ต้องดูกาละเทศะดูความเหมาะเหมาะสมเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา